มีอยู่คือมันไม่มีมันไม่มีเลยแสดงว่ามีการดับอยู่ก่อนแล้วดับอยู่แล้วอ่ามันดับอยู่แล้วแต่เมื่อไปเกิดสัมผสัสขึ้นการเกิดจึงปรากฏเกิดเลยอ่ามาเร็วมากเมาเร็ ว, มรมวเมื่อธรรมะของพุทยาเหมือนกันตัวอวิชามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีการผัดสาเกิดขึ้นอวิชาก็ดูเหมือนไม่มี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 ออคิด<ร>ดีดหรือไม่ดมีมันแก้ไม่ได้คิดเยอะไห ม, มเพาว่าตัวรู้น้อยไปใช่ครับพอเรามารู้สึกตัวให้ชัดมันก็เลยชัทั้งคิดชัดทั้งรู้สึกตัวอ๋อองอย่างเลยเออเหรอแต่ความจริงแล้วก็เห็นว่คุณขยันทำอยู่นะแต่การที่ความคิดปรากฏชัดนะมันถูกแล้วเพราะจังหวติมันคิดอยู่แล้วแต่มันไม่ปรากฏชัดเราก็นึกว่าไม่คิดอยางไง ความคิดปรากฏชัดหมายถึงว่าตัวนั้นมันจะไม่หลบลงไปเป็นตัวจิตใต้สํานึกเป็นจิตวิสํานึกเราถึงเห็นมันชัดตามูลติมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราเห็นมันไม่ชัดเพราะมันหลบไปไปจิตใต้สํานึกเหมือนของอยู่ใต้ถุนของเราเนี่ยเราไม่รู้มันมีอยู่แต่ตอนนี้เราเอายกของใต้ถุนขึ้นมาไว้บนบ้านมันก็เห็นชัดกว่าเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสัญญาณที่ดี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 นิสินโนวานิสนโนมิทิปเจ้านั่งอยู่ขณะนี้ก็รู้คว่ารู้ชัดคือรู้อย่างไรนี่ดิเ <c oughs> งื่อนไขฮะโจดว่ารู้ชัดคือร <c oughs> ู้อย่างไรคือรู้ซื่อรู้ซื่อรู้ซื่อซื่อเบื่ออย่างที่พูดไปตอนเชา้าคาว่ารู้ชัดเห็นลักษณะอยู่สามอาการรู้ว่ามันกำลังเปลี่ยนแปลงรู้กําลังมีอาการของสุขของทุกข์ปรากฏ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 มีวันหนึ่งเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งใครมันไม่ชอบมันขมิ่นกันมานานแล้วนะทีนี้มันเดินมาเจดนามาชนอ่ะชนเกิดล้มอ่ะจะบอกหนูรู้สึกไม่รู้สึกเลยนะเออแค่นั้นเองเพราถ้าเป็นเมื่อก่อนมันได้ลุยกันเลยนะแต่อันนี้ความรู้สึกว่าจะลุยมันไม่มีเหมือนกันเฮ้ยเฉยอ่าไมได้ว่ามันสติไวมากนี่คนหนุ่มคนสาวอยากให้ปฏิบัติเพราะว่าสติเข้ามาไว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 เฟรมต่อหนึ่งวิใช่ไหมแต่เป็นทีวีมันจะจะเป็นเท่าไหร่สสิบหเฟรมต่อหนึ่งวิความเร็วมันจะสูงกว่าในวินาทีเดียวนะ่ะนะพุดเดียวเนะี่ยแค่แค่ทายกมือพุดแค่เนี้นะเอาเวล า, เอ า, เ, อาเอามาสรุโมชันถึงจะรู้ถึงความถี่หยับๆยาของมันใช่หหรือว่าคุณหลีดเคยแข่งเคยแข่งกีฬามันะ้ย เขาบอกชนะกันเพียงปลายจมูกใช่ไหมเขาว่าไงเตัดสินไม่ได้อ่ะแค่ปลายจมูกเหรอกรรมการต้องทำไงเอาภาพรูปมาลีลานกันใหม่เ อ, อว่ามันปลายจมูกมันเกินกันไปกี่เส้นนะไ อ, อตรงนี้คนชนะเออขนาดนั้นอันนี้ก็เหมันกันนะความถี่ที่ขนาดวัตถุนะตา ย, ยจับไม่เคยทันที่นี่ความถี่ของเขานำมาทํามันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีก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 โรคปวดหลงเหลือเบาวางมากแต่วงที่สี่นี่เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องสำรวจทั้งสี่วงเนี่ยท่านมันจะเป็นสศิประธานสี่ไงนะดีประธานสี่เพราะฉะนั้นเราก็ดูบทีละวงละวงละวงดูนี่เราก็เลยมานั่งทำเนี่ยอามาทุกบอกว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมาทำให้เห็นชัดอ่ะแต่เราใช้ลมหายใจในหูต้องคนระดับสศิ ป, ปัญญาขั้นอัจฉริยะนะะ